เพื่อนแต่งกายออกก็ยืนให้ลูกศิษย์พระบูชาแล้วพูดกับเขาว่านี่เพื่อนเอาเสื้อกางเกงชุดนี้ไปใส่แทนเราด้วยเราจะไม่ย้อนกลับมาใส่มันอีกแล้วช่วชีวิตนี้เสร็จแล้วก็โกนผมจุกหันหน้าเข้าโบสถ์ท้องฟ้ามืดครึ้มพระหนึ่งจะกล่าวคำสั่งลาลากรุ่งานาป่าเขาโคควาย คร่าไถยลาทิ้งไว้เมืองหลังและความพรุงพรังไปหมดสิน้นหบิดามารดาผู้จะวายชนสั่งลาบุทธิดาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบวช ด, ด้วยดวงใจที่ชื่นบานเหมือนดังว่าเด็กน้อยผู้ยากไร้ขอทานอยู่กลางถนนได้พบบอ่อมหาสมบัติอันเลิศล้ำเขาจะดีใจและลิงโลดสักปานใด นเอ่ยบุคคลพึงสละคนคนเดียวเพื่อประโยชน์แห่งตระกูลพึงสละตระกูลเพื่อประโยชน์แห่งหมู่บ้านพึงสละหมู่บ้านเพื่อประโยชน์แห่งประเทศพึงสละโลกเพื่อประโยชน์แห่งตนประโยชน์ตนท่านหมายถึงมรรคผลพระนิพพานเราท่องปฏิโมกได้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรและเทศครั้งแรก เรื่องพระเวสสันดรชาดกกันกุมาร น, นึกๆแล้วก็เศร้าเมื่อเราเทศไปชีวิตเรานี้ก็ถูกพรากเหมือนกันหาชาลีพระกุมารพระกุมารีน้อยในเรื่องพระเวสสันดร น, นั้นในสมัยเป็นสามนเณร น, น้อยอยู่นั้นมีเพื่อนสามนเณรที่รักกันมากอยู่คือสามนเณรมานิตปัจจุบันคือพระกูญานวิจิตรมานิตสุรปัญโย วัดประชาอุทิศอำเภอคำเคือนแจ้วจังหวัดยะโสธรและสามเณรวันปัจจุบันคือพระอุดมสังว ร, รคุณวันอุตมโมวัดรรำอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนครได้มาร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันคือวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเป็นลูกศิษย์ของพระอริยคุณาทานเสงกุดโสเราทั้งสไม่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมร่วมกันมา และได้ปฏิญญาณตนว่าเราจะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตในขณะนั้นพระอริยคุณาทานเสงปุตโสซซึ่งเป็นศิษฐ์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้เข้าไปพักที่วัดอินทสุวรรณซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านท่านมีพระคุณกับเราอย่างยิ่งถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ท่านได้ชักชวนให้ไปด้วย โดยชีย้มาทางเราว่าเนน้อยไปไปทุ ด, ดงด้วยกันจะพาไปกราบพระธาตุพนมไปกราบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นด้วยกันจะพาไปฝากเรียนหนังสือจึงได้ออกเดินทุ ด, ดงกรรมาฐานครั้งแรกกับท่านสมัยก่อนรถยังมีน้อยเดินจากจังหวัดสกลไปยังจังหวัดอุบลจนเท้าพองเท้าแตกหมดเหนื่อยก็เหนื่อยบางทีบางวันเดินทางหลงป่า เดินเท่าไหร่ก็ไม่ทะลุป่าสักทีท่านก็ให้ปีนขึ้นต้นไม้ตะโกนเรียกชาวบ้านเรียกพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายการเดินทุ่นดงจนล่วงเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดอุบลจึงแวะเข้าพักที่วัดบุรพารามท่านจึงฝากเราไว้ที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลและอยู่กับหลวงตาพรสุมโนโซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสากันตาสิโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโต เมื่ออยู่ที่วัดบูรพารามมีคนชวนกลับบ้านแต่ตอบเขาไปว่าผมอยากกลับแต่ไม่กลับคิดถึงบ้านแทบขาดใจแต่ไม่กลับจะไปตายเอาดาบหน้าผมคิดว่าจะเจริญรอยตามพ่อถ้าผมไม่ได้หยิบได้ดีจะไม่กลับบ้านจึงตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าสอบมหาสารประยคกไม่ได้จะไม่กลับบ้านวันหนึ่ง ได้อ่านหนังสือเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าคนเราถ้ามีมาณในทางที่ถูกต้องมันต้องเอาชนะได้ทุกอย่างพวกที่เคยดูหมิ่นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มองหน้าเราไม่ติดในปีต่อมาเราได้บรรพชาใหม่เป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุทธ์เมื่อวันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราช2481เ ที่วัดบุรพารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระาศาสนาดิโลกเสนคิตาเสโนเป็นพระอุป ช, ชาสมัยเป็นสามเณร น, น้อยเป็นลูกศิษย์รับใช้หลวงตาพรเพื่อนเพื่อนสามเณรเขาเป็นลูกศิษย์พระมีชื่อเสียงเขามีผ้าดีๆมีสบู่เลวใช้ส่วนเรามีแต่สบู่สันไหลพอถึงวันโกนวันพระ เ, เพื่อนๆสามเณรจะไปโปรดยมพ่อยมแม่เราไม่มีพ่อมีแม่ก็ไปโปรดยมที่อุปถากมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนสามเณรกลับมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเนนพุทธนี่เทศเจ๋งเจงตอนเป็นสามเณรพระอาจารย์สั่งให้เฝ้ากุฏิพอท่านมาปลุกปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจนกระทั่งท่านเตะเอาอย่างแรงจึงตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว ท่านจึงถามว่าหลับหรือเปล่าเนนไม่ได้หลับครับผมนั่งสมาธิเอา้าไม่ได้หลับทำไมปลุกไม่ตื่นไม่รู้เหมือนกันเพราะในช่วงนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่หลับภายในจิตนี้รู้อยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่รับรู้เรื่องภายนอกก็เลยเก็บเอาปัญหานั้นไว้ในใจตลอดมาจนกระทั่งได้โอกาสจึงเข้าไปกราบเรียนถามลงปู่เสา หลวงปู่สาท่านก้อปลารบขึ้นมาว่าเออเนน้อยคนที่ปฏิบัติสมาธินี้ถ้าจิตอยู่ในสมาธิละเอียดถึงอัปปนาสมาธิฟ้าผ่าลงมามันก็ไม่รู้เรื่องจะไปถ่วงน้ำก็ไม่สำลักน้ำตายโยนเข้ากองไฟก็ไม่รู้สึกตัวพระอาจารย์ทิเตหันมาพยักหน้าพูดว่าเออเนน้อยที่เจ้าว่าความรู้สึกเมื่อมันไม่มี แม้แต่ร่างกายมันก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาเมื่อเน่าเนียนเนาะเราได้มีโอกาสอุปถัมภ์รับใช้หลวงปู่เสาตอนนั้นอายุได้ส7ปีขวัตปฏิบัติที่องค์หลวงปู่เสาพร่ำสอนยังติดตาตรึงใจเสมอมาลักษณะนิสัยของหลวงปู่เสาท่านชอบก่อสร้างชอบปลูกพลิกหมากไม้ลักษณะกิจเยือกเย็นมีธรรมวิหารี ทำจิต ด, ดุดแผ่นดินมีเมตตาเป็นสาธารณะเป็นคนพูดน้อยยกจิตขึ้นสู่องค์เมตตาสุขใสรุ่งเรืองเป็นคนเอื้อเฟื้อในพระธรรมวินยัยทำความเพียรเป็นกลางไม่ยิ่งหย่อนพิจารณาถึงขั้นภูมิละเอียดมากท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศเวลาจําเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงสั้นๆประโยคธรรมที่ท่านเทศ ซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงจากมากแต่อย่านําเอาเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรก จะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำสมัยที่เราเป็นเนนน้อยอยู่ใกล้ๆท่านวันไหนเราคิดว่าจะเดินจงกรมแข่งกับท่านวันนั้นท่านจะเดินจงกรมไม่หยุดจนกว่าเราจะหยุดนั่นแหละท่านถึงจะหยุดท่านจะไม่ยอมให้เราชนะเวลาสอนสมาธิท่านสอนให้ภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกแม้กระทั่งเข้าห้องน้าก็ต้องภาวนา เมื่อเข้าไปเล่ารื่นงภาวนาใหท่านฟังถ้าสิ่งใดมันถูกต้องท่านจะบอกว่าเร่งเข้าเร่งเข้าแล้วจะไม่อธิบายแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องเช่นอย่างใครทำสมาธิพอจิตสว่างรู้เห็นนิมิตขึ้นมาก็น้อมเอานิมิตเข้ามามันรู้สึกอึดอัดเหมือนหัวใจถูกบีบสมาธิที่สว่างแล้วก็มืดไปเช่นนี้ท่านบอกว่าอย่าทำอย่างนั้น มันไม่ถูกต้องทางที่ถูกภาวนาเห็นนิมิตให้กําหนดรู้จิตเฉยอยู่แล้ว น, นิมิตนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีมีสมาธิมั่นคงเราจะอาศัยความเปลี่ยนแปลงมโนภาพของนิมิตนั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตา ในบางครั้งแอบถามท่านว่าหลวงปู่ครับทำไมจึงต้องภาวนาพุทโธ ท, ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเพราะพุทโธเป็นกริยาของใจพระกรรมาฐานนี่ท่านไม่ทำเครื่องรางของขลังเพียงเราเอาสีพึ่งเสกที่นำมาจากบ้านนอกใส่มาในย่ามหลวงปูเ่เสาท่านรู้ยังกับมีตาทิพย์จึงดูว่าแน่นจะมาภาวนา เอามักผลนิพานยังเอาตลับสีพึ่งสา ย, ย่ามาด้วยมันจะไปได้อย่างไรกันหลังจากนั้นก็จับมัดติดกับก้อนอิดปลาทิ้งลงแม่น้ำมูลเลยวันหนึ่งทำภัตกิจเสร็จแล้วกำลังจะเดินไปล้างบาทรตาเหลือไปเห็นหมาชี้เรือนตัวหิวโซเดินโซทัศโซเซเกียนตายเกิดความสงสารจับใจมองดูข้าวในบาทก็หมด เพราะครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าธรรมเนียมพระธุดงจะฉันให้หมดบาทเสมอไม่ให้กินทิ้งกินขว้างมองหาอาหารรอบทิศก็ไม่เห็นมีอะไรพอที่จะประทังความหิวกระหายของหมาขี้เหอ่ตัวนั้นได้เจ้าหมาน้อยที่น่าสงสารก็ใกล้จะหมดเรี่ยวแรงเต็มทีเมื่อหมดหนทางก็นึกขึ้นได้ว่าอาหารเพิ่งฉันมาใหม่ๆพอจะเรียกคืนมา ให้เจ้าหมาน้อยได้จึงเอามือล้วงเข้าที่ลำคอให้อาจยียนออกมาเจ้าหมาน้อยตัวนั้นคลานมาฟุบเลียเศษอาหารจากลำคอด้วยความอริดอร่อยมันได้กินอาหารนั้นจนมีกำลังขึ้นเราก็รีกอาหารใหม่ออกมาจนหมดท้องจนกระทั่งอาหารเก่าเริ่มระบายออกมาด้วยพอเห็นหมาชี้และมีแรงก็หยุด เจ้าหมาตัวนั้นได้แรงขนาดวิ่งเหยาะๆตามเราได้จากนั้นมาลากสาการะในเรื่องอาหารการกินนี่มีมากเสียจนสุดจักประมาณได้ในช่วงเป็นสามเณรหนุ่มนั้นจิตมันหลงรักสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าประยูนกําหนดภาวนาพุทโธเท่าไหร่ใจมันก็ยิ่งนึกถึงแต่แม่ประยูนเมื่อแม่ประยูเนเหนือกว่าพุทโธเอาล่ะนะ จะเป็นจะตายก็เพราะใ ย, ยประยูนนี่แหละเลยเอาชื่อมันมาบริกรรมภาวนาซะเลยเมื่อจิตมันอยู่ของที่แล้วคาว่าประยูนประยูนมันก็หายไปหนักหนักเข้าร่างกายตัวตนของเรามันก็หายไปพอจิตสงบเกิดในมิตรภาพแม่ประยูนปรากฏขึ้นมาพิจารณาว่าผมสวยผมเธอก็หลุดร่วงโรยไปว่าตาสวย ตาเธอก็หลุดออกไปนึกว่าคนสวยนี่แม้แต่กระดูกก็ยังสวยกระดูกก็ร่วงหล่นสูนสลายไปกับแผ่นดินพอออกจากสมาธิความรักความหลงและชื่อของแม่ประยูนก็จางหายไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเราจากอุบลไปเรียนพระปริยติธรรมที่วัดปุมวนารามกรุงเทพมีเงินเพียงยี่สิอดบาทติดตัวไป ในขณะที่เรากำลังเรียนพระปริยัติธรรมอยู่นั้นพระอาจารย์สุวรรณสุ ก, กินโนท่านเห็นเราถือหนังสือไวยากรณ์เดินท่องไปท่องมาแบบเดินจงกรมท่านจึงทักว่าเน้นถ้าจะเรียนจงตั้งใจเรียนจะปฏิบัติจงตั้งใจปฏิบัติอย่าจะปลาสองมือมันไม่สำเร็จหรอกเมื่อท่านพูดอย่างนั้นเราก็ไม่ตอบว่าประการใดเพียงแต่คิดไว้ในใจว่า ปริยัติและปฏิบัติน่าจะศึกษาไปพร้อมๆกันได้เพราะเหตุว่าการทําสมาธิก็คือการทําจิตให้มีสิ่งรู้ทําสติให้มีสิ่งระลึกเวลาไปเรียนหนังสือการเรียนเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึก ข, ของสติเวลาเรียนสายตาเพ่งอยู่ที่ตัวอาจารย์อาจารย์สอนไปพอท่านพูดจบประโยคจิตของเรามันคาดการล่วงหน้าว่า ต่อไปท่านจะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบจิตมันก็วูบวาบลงไปคำตอบมันก็ขุดขึ้นมาเราเรียนแปลบาลีธรรมบทสอบเรียนทาสามประโยคปีเดียวได้เป็นมหาเนนธรรมดาว่าสามเณรจากต่างจังหวัดยากจนเมื่ออายุครบบวชจะต้องมีโยมจองเป็นเจ้าภาพแต่สำหรับเรานั้นกว่าจะได้บวชหาเจ้าภาพยากเสียเหลือเกิน จนในที่สุดได้ดอกเตอร์ประจวบบุญนาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นและปริยาเป็นเจ้าภาพบวชให้บวชเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2485ณพระอุโบสถวัดปธุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพโดยมีพระปัญญาพิสารเถนหนูทิตะปัญโยเป็นพระอุปชา พระครูปทุมธรรมธาดาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระตลัดบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าฐานิโยแปลว่าคู่ตั้งมั่นในธรรม อยู่วัดปฐุมนารามได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและอยู่พรนิบัติเพื่อเป็นการสนองคุณพระอุปชาจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2487จึงได้เดินทางอพยพหลบภัยตามคำสั่งของคณะรัฐบาลไปยังวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในพรรษานี้นับว่าเป็นบุญญาลาภของเราที่ได้ร่วมจำพรรษากับพระมหาเถระที่ทรงคุณธรรมคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนและท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรแต่กลับเป็นทุกขลาภเพราะป่วยเป็นมรนรคอย่างหนักอายุได้22ปีเกิดความท้อใจน้ำตาไหลนอนไม่หลับเจดวันเจดคืน แทบจะเอาชีวิตไม่รอดได้ท่านพระารอาจารย์ปั้นอาจารโรสอนกรรมฐานใช้ธรรมโอสถ ร, รักษาโรคคนที่เขาแข็งแรงเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ส่วนเรามัวแต่นอนสมาธิอย่างเดียวเดินก็ไม่ไหวเวลาเจ็บป่วยขออยู่คนเดียวปิดประตูภาวนาถ้ามันรอแร่ ก็ขออย่าให้เอาสายยางระโยงระยางมาเสียบจะขอพิจารณาทุกจนกว่ามันจะขาดใจเวลาจะป่วยถ้ามีคนมาพันเนาพนาัพนอทำให้กำลังใจอ่อนเสียหายมากๆในขณะที่ป่วยอยู่แม่ชีพวงมาคอยดูแลใครชวนไปไหนแกก็ไม่ยอมไปปักหลักว่าถ้าพระรูปนี้ไม่ตายหรือไม่หาย ฉันจะไม่ยอมไปที่อื่นบางวันชาวบ้านเข้าสงสารจึงถามว่าท่านมหาเจ็บป่วยเป็นอย่างไรบ้างก็มีแต่ตอบเข้าไปว่าสบายดีอยู่ตกตอนกลางคืนตัดสินใจถือคมไปอันหนึ่งบุกเข้าไปในป่าในดงเพื่อทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งผีมันหลอกมันกระโดดขึ้นกระโดดลงบนต้นไม้นั่งดูมันเฉย ลักษณะมันเหมือนนกตัวใหญ่ๆ อ, อกดังๆเวลามาเสียงดังสนั่นวันไหวยังกับหงวัวหงควายร้อยตัววิ่งมาป่าเขาแทบพังพินาศแต่ผีหลอกยังไม่เท่ากับคนหลอกบางทีก็ชิดอยากจะตายท่าเดียวไปไปมามากิตมันนึกขึ้นมาว่าก่อนจะตายเราควรจะได้รู้ก่อนว่าความตายมันคืออะไรกันแน่ หลวงปู่ฟัน่นท่านสอนเราว่าเจ้าไปนั่งภาวนาน น, นท์ก็ทุกขนี่ก็ทุกเจ้าเขียนเถือหลอกตัวเองให้เจ้าไปนอนดูทุกจนกระทั่งมันรู้ความจริงทุกขังอริยสัจจังทุกมันปรากฏใจเธออยู่ทุกลมหายใจให้กําหนดสติรู้สิ่งที่มันมีอยู่ในกายในใจเวลานี้ปอดของเธอเป็นบรรณโรคมันเป็นจุดเกิดของทุกขจิตของเธอไปยึดอยู่ที่ปอด เพราะฉะนั้นให้ดูสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันอย่าไปไขว้คว้าอะไรหลังจากนั้นมาประมาณปีเศษนั่งภาวนาหามรุ่งหามค่าตั้งแต่สามพุ่งถึงสองโมงเช้าเราจึงนิมิถเห็นความตายจิตรู้เห็นตามธรรมชาติมองเห็นลมวิ่งเข้าออกเป็นกลียวตั้งแต่ปลายจมูกถึงสะดือวิ่งออกด้านนอกสลับด้านในขึ้นเบื้องบน ลงเบื้องล่างเกิดความสว่างสวัยอัศจรรย์ใจในที่สุดจิตนี้มันก็ตัดสายสัมพันธ์ขาดไปพอขาดปุ๊บร่างกายหายหมดคงเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ประหนึ่งในจักรวาล น, นี้มีจิตเพียงดวงเดียวเท่านั้นจิต ก, ก็ย้อนลงมามองดูร่างกายที่นอนอยู่เห็นสมบงจีวรหุ้มห่ออยู่เป็นอย่างดี แล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างกายเปลือยเปล่าเปลือยเน่าขึ้นอืดเีนกลางมือกลางน้ำเหลืองไหลยเยิ้มทั่วกายเนื้อหนังพังไปทีละชิ้นสองชิ้นเหลือแต่โครงกระดูกและมันก็ซุดหวบลงไปหักเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแหลกละเอียดไปเป็นผุยผงเหมือนกับชี้เท้าโปรยลงสู่พื้นทรายหายจมลงไปในแผ่นดินเกิดความว่างสักพักหนึ่ง ในความว่างนั้นพื้นแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นมาอีกกระดูกที่มันจมหายไปในพื้นแผ่นดินมันก็โผล่ขึ้นมายุบยิบเหมือนนอนบันแล้วก็เกาะกันเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยรวมจับกันเป็นแท่งกระดูกโดยสมบูรณ์ประสานกันขึ้นเป็นโครงสร้างเสร็จเนื้อมันเริ่มงอกระหว่างข้อต่อของกระดูกงอกรามไปทั่วจนกระทั่งมันมีเนื้อเต็มสมบูรณ์ แล้วเนื้อที่เป็นสีแดงที่เรามองเห็นเหมือนกับลอกหนังหมูมันค่อยๆแห้งกร้านเปลี่ยนจากแดงเป็นเหลืองจากเหลืองเป็นขาวแล้วก็กลายเป็นผิว อ, อย่างธรรมดาผมขนเล็บฟันหนังมันก็บังเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาเป็นอยู่อย่างนั้นถึงสามครั้งหลังจากนั้นจิตมันก็กาหนดรู้ของมันเองโดยธรรมชาติความรู้ไม่จริง ถูกเปิดเผยด้วยสัจจะแห่งชีวิตโอ้น้ำตาที่เคยหลั่งออกเพราะความวิปรโยคต่างๆได้รับการเช็ดให้เหือดแห้งแล้วความตั้งใจอะไรๆต่างๆในขณะนั้นมันไม่มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองหมดพอจิตมันหยุดสู้ส่าแล้วมีคำถามสอดแทรกขึ้นมาว่านี้หรือคือความตายคำตอบก็ผุดขึ้นมารับว่าใช่แล้ว เมื่อมันตายลงไปแล้วมันก็กลับไปสู่ที่เก่าของมันคือดินน้ำลมไฟไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนภาษาธรรมท่านเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาญาณจิตถอนออกมาก็นึกสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราตายหรื อ, อยังค่อยๆ ย, ยกมือทั้งสองข้างคลำดูหน้าอกค่อยๆลืมตาขึ้นมามองดูนาฬิกาสองโมงเช้าพอหลังจากนั้นมาไอความเจ็บป่วย หายหวันหายคืนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าวรณโรคหรือโรคอะไรต่างๆที่เคยเป็นมามันหายยังกลับปลิดทิ้งจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราเคยใช้พลังกิตเพ่งหลอดไฟแตกเพ่งจริงพยอมหักเพ่งต้นมะพร้าวหักจนกระทั่งหลวงปู่ฟั่นต้องเตือนว่าเป็นอาบัติเราแย้งท่านว่าไม่ได้หักด้วยมือจะปรับอาบัติด้วยหรือหลวงปู่ฟั่นท่านบอกว่าเมื่อมีเกตนา ก็ต้องเป็นอาบัติในพรรษานี้เราได้สหธรรมิกทางภาคปฏิบัติอีกรูปหนึ่งคือพระอาจารย์สุวัส์สุวจโจหลังจากนั้นในพรรษาที่หพุทธศักราช2490เราได้จำพรรษาที่วัดเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นกับพระอริยคุณาทานเสงปุตโสพระคุณของพระอริยคุณาทานนี้ เลินล้ำภายในใจของเราเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่นำพาให้รู้จักทางธรรมซึ่งเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตเพื่อพิชิตกิเลสจริงๆท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานท่านได้ทำนายทายทักเราไว้ว่าในการต่อไปเธอจะได้ไปสนทนาธรรมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวังแล้วในที่สุดก็เป็นจริงตามนั้น ในปีต่อมาเราได้ย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดบุรพารามอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาการป่วยทุเลาลงได้ไปลงชื่อสอบหนังสือก็ไม่ได้ดูเมื่อลงชื่อสอบแล้วก็ไปเรียนหนังสือบ้างพอกลับมาจากห้องเรียนทําสรีระจิตเสร็จแล้วปล่อยพระส่วนมนต์นั่งสมาธินักภาวนาทั้งหลายเขาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเรานั่งคิดทบทวนวิชาความรู้ติดขัดตรงไหนออกจากสมาธิ จิดเส้นใต้เอาไว้แล้วท่องจําเอาให้ได้ในที่สุดจึงสอบเรียนทำสี่ประโยคได้อย่างง่ายดายภายหลังต่อมาเดินทุ ด, ดงเข้าไปในป่าภูยางเพราะการอยู่ในป่าเช่นนี้เปลี่ยวกายเปลี่ยวจิตจิตเป็นอิสระจากธรรมชาติฝ่ายข้างต่าไม่ติดขัดดุดท้องฟ้าในกลางหาวสมัยเป็นพระหนุ่มออกเดินทุดงจากอุบลมาคูราชจากโคราชขึ้นอุดรขอนจันทสกุล น, นครนครพนม รอบภาคอีสานขึ้นรถบ้างเดินบ้างมีเจ้าคุณวินัยสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลพระมหาขายวัดบ้านพุนพินไปด้วยกันเข้าไปพักในโบสถ์ที่วัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอพระทาต พ, พนมจังหวัดนครพนมในนิมิเห็นพระอรหันต์องค์หนึ่งมาปลุกว่าใครมานอนอยู่ที่นี่จะหนีหรือไม่หนีเอา้าท่านมีสิทธ์อะไรจะมาไล่ผู้ฆ่าเราเถียงท่านในนิมิตมีสิทธิ ผมเป็นพระอระหันต์อุ๊ยพระอระหันต์หาหอกอะไรหนอมาเที่ยวหาเบียดเบียนผู้อื่นพอโต้กันหนักเข้าอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเออผมมาทําธุระหน้าที่ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านจะไปก็ไปไม่ไปก็ตามใจแต่ถ้าขืนอยู่ที่นี่เกินสิบวันอันตรายพอตื่นเช้าขึ้นมาชวนหมู่เพื่อนเดินทางกลับเล่าความเป็นมาแห่งนิมิตนั้นให้หมูเพื่อนฟัง หลังจากนั้นพอนับได้สิบสองวันตรงกับวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดฟ้าผ่าเปลี่ยงลงมาที่พระอุโบสถโดนสมผานตายคาที่ไม่ดำเป็นตอตะโกไปเลยครั้งหนึ่งไปพักอยู่ในป่ากับพระที่เป็นหมอผีพระรูปนั้นนอนหลับลงไปแล้วก็ท่องแต่มนไล่ผีตลอดเวลาพอตกตอนกลางคืนท่านก็ลุกขึ้นส่งเสียงดังเอตโรว่า นอนไม่ไหวแล้วโว้ยผีมันมารบกวนเราจึงลุกขึ้นมากำหนดจิตตั้งนโมแล้วก็สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอธิษฐานจิตว่าภายในโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรขอสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วเจริญเมตตาพรหมวิหารปรากฏว่าพระองค์นั้นนอนหลับตลอดคืนไม่มีอะไรมารบกวนพอตื่นเช้าขึ้นมาท่านจึงถามเราว่า ท่านไปเรียนมนมาจากไหนดีนักหนาเราจรึงตอบว่าก็บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญเมตตาพรหมิหารนั่นแหละสำหรับท่านเออาอะไรอะไรก็มีแต่ท่องมนไล่ผีไล่ผีไปที่ไหนก็ไปประกาศความเป็นศัตรูต่อเขาแทนที่จะประกาศความเป็นมิตรพระพุทธเจ้าของเราสอนให้สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันไม่ใช่หรือท่าน